พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่ารู้จักคิดรู้จักอ่านพวกเรา พระทุกองค์น้าอยู่ในความสงบตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาของใครของเราอย่าไปคุกคลีกันกุฏิองค์ใครของเราฉันจะหารเสร็จแล้วไปภาวนาแล้วก็ฟังวิทยุตันปรรัญญาถ้าฝนไปฟ้าไม่ร้องนะ ต้องเปิดวิทยุพยายามเปิดให้มากนะยินไหมเอ็มสของหลวงตาปังของหลวงปูล่าปางอย่างที่ผมบอกนะเว้นเสียงจฟ้าจะมันร้องดังฮือหาผิดปกติถ้าผลลิตธรรมานาเปิดเลยกลางวันกนะ็ไปพักที่นั่นก็ได้เดีวยวกลางคืนถ้าไม่มั่นใจพัก้องข้างล่างก็และเฝ้านั่งภาวนาเฝ้า โจนสว่างล้วค่อยกลับมากุฏิตัวเองแต่ตามไม่จริงเราไม่อยากจะให้ไปพักถึงจะอยู่ในวัดก็เถอะไม่อยากจะให้ไปพักกุฏิตแต่ละหลังไม่ใช่จะให้มั่วไปเลยไปพักไปเลยไหมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ผิดในพระวินัยไหมก็ไม่ถึงจะขนาดนั้นแต่ว่าถูกทีเดียวไหมเราก็อธิษฐานอยู่ในขอบเขตของ ยิมัตจิเมิงอาวาเซคืออาวาสจุดนิเกตอาวาสยิมตจเมงอาวาเซอิมังเตมาซั่งวัดซั่งกับว่าอาวาสคานี้เราก็หมายถึงลัวรอบขอบชิดของวดัดแต่เราจะไปพักในบริเวณถึงจะขาดพรรษาไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นถ้ามีความจำเป็นเราก็ไปได้ แต่ถ้าว่าไม่มีความจําเป็นผมเองไม่อยากจะให้เดี๋ยวยก็เปลี่ยนแล้วนี้ในวัดอแต่ละเดือนแต่ละวันพระอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเปลี่ยนกุฏิไม่ตั้งใจภาวนาผมก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกถ้าอยู่หลังไหนกันปรับปรุงให้อยู่ทางใดอย่างกรมที่ไหนอย่างไร แล้วก็ที่พักหลังอื่นที่มันว่างเราก็จะไปกบไปพักก็ได้กลางวันไปเดินโยงกงูไปนั่งภาวนาไปทำความสะอาดและเดินอยกลมปฏิบัติอดอาหารอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ว่ากลางคืนจวนสว่างกลับมาพักที่กุฏิตัวเองซะรักษาราตีในกุฏิของตนเองอันนี้ก็ได้ แต่ไม่อยากจะให้นอนตลอดตลอดเปิดเปิงเตกุติสถานีแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไปพักจนถึงสว่างแล้วผมค่อยเดินลงมามาบินทบาทแต่ในปัรษานี้ผมจะไม่ไปผมจะไปพักแต่กลางวันถ้าใจ ไ, ไปเปลี่ยนบรรยากาศพักภาวานาตอนกลางวันจากนั้นก็กลับลงมา พักที่กุฏิขนาดกุฏิสามหลังอยู่ใกล้ๆนะผมเองก็ยังไม่ไปพักให้ข้ามคืนแต่ละหลังผมอยู่หลังใหญ่ผมก็อยู่หลังใหญ่นะแต่กลางวันบางทีเขาไปพักบางทีก็ตอนหัวค่าก็ไปพักไปนั่งภาวนาไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็พอตีสามตีสี่เที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนแล้วก็กลับ ที่พักที่กุติใหญ่ผมไม่เคยข้ามคืนที่กุติข้างนอกแต่อยู่ในพรรษาแต่ว่าการที่จะไปภาวนานาแต่ละหลังผมก็ไม่ได้ห้ามให้ในห ม, นหมู่พ เ, เพื่อนไปภาวนาแต่ละหลังเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่อยู่กุติแต่ละหลังอยู่ัอยู่กับกุติตนเองตลอดไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนบรรยากาศที่พักพาสายตัวเองก็ทดลองนูซีเปลี่ยนทางเปลี่ยนเสนาสนาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะแต่ละหลังอย่างที่พวกเราท่านทัน้งหลายเห็นนะการยุงก็ได้แต่บางกุฏิก็มีพึ่งเข้าไปอันนั้นก็พระเก่าก็ควรจะเข้าไป มันลงที่ไหนมันมีรูไหมมันมีรูก็เราก็มีผ้าเตปผ้ากาวเราก็มีอยู่แล้วเราปิดก็ได้หรืซิลิโคนพ่ออนอัดเข้าไปก็ได้ไม่ใช่ว่ามีรูหน่อยเดียวกันโง่ทั้งวัดถ้าเขาสร้างกุฏิเขาก็ยังสร้างได้เขาปิดรับวทำกีดกันดูแลเพียงแค่นั้นไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ว่างโง่ก็จะว่าอะไรอีกตามกติของผมเนี่ยผมดูเออจะต้องตีไหนที่มันไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขได้เออแต่ว่าเคหะวิทยาเออเรียกว่าสิ่งแวดล้อมตรงไหนที่มันไม่ดีเราเป็นมนุษย์ทั้งคนเป็นพระทั้งองค์ให้ใช้จติให้ใช้ปัญญา ทำไมถึงใช้แต่ความโห่ความซื่อบือ้อเอ่ยมดขึ้นตัวหนึ่งกับหนีจากมดแสดงว่าถ้าไม่ใช่ว่าโง่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรอีกเหมือนกันทําไมมันขึ้นมาได้ขึ้นมาเพราะอะไร เ, เราก็ต้องหาสิ่งที่มากันฉีดยาเอาอะไรนะ้ำมันกาดหรืออะไรก็ได้ทาท า, าชบุชบๆแล้วก็เช็ดให้มันมีกลิน่นมาเหยมดเข้ามาหาเราได้มีต่างเยอะแยะไป ถ้าเราใช้ปัญญาเแต่เราไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความโง่มีมดตัวนึงกับหนีมียุงตัวเดียวกับกลัวมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเราอยู่ในโลกเนี่ยแต่จะไปฆ่านะฆ่าไม่ได้อย่างที่ผมเคยพูดแต่มันมีมดกมันไปแล้วการพื้น ม, ม, ม, มันลวมุดมดลงไม่ได้ มันก็ต้องหิวอาหารมันต้องหิวน้ําตาลมันต้องหิวน้ํเาเราก็เอาน้ําตาลใส่จานไปเอาน้ำเชื่อๆสักน้อยเขามามันก็มากินกินใช่ไหมครับไปปัดเกียออกเกียร์ออกเกียร์มดออกไปวางไม้ไม้สองสามสี่ห้ครั้งนะมดมันก็หมดาจากนั้นก็เลยเอาน้ํามันก๊าดก็ได้ชุบชุชุต้มสีเพิ่งก็ได้ ให้มันมีกลิ่นต้มสีเปลือกเหรอเอาผ้าชุบเช็ดบางๆเนอมดมันเข้าไปมันมีกลิ่นมันเกิดมันจะอยู่ได้แล้อนี่แหละคือเราไม่ได้ฆ่ามันแต่เรากันมันไว้แต่นี่เขาขนาดเขากันไว้ให้พวกท่านทั้งหลายก็ยังโง่อยู่อย่างนี้อย่างที่สาลาที่ฉันน้ำร้อน ติจาน้ำที่เขากันไว้พวกทันทาลายก็ไม่ได้ดูหวานน้ำที่กันหมดไปน่ะมันแห้งหรือไม่แห้งหเอย่าเผอๆยังเอาผ้าเช็ดเท้าไปพาดให้มันติดอาคารอีกตรงบันไดเอาผ้าเช็ดเท้าไปวางให้มันพาดเกยกับไปติดบันไดอีกติดกับอาคารอีกอย ห, หมดขึ้นไปกันนะแต่ขึ้นผ้าเช็ดเท้าล้วก็เข้าอาคาร ขนลูกขนหลานทั้งคืนแต่ตัวเองพอตื่นเช้ามาก็งัวเมียก็ไม่รู้อยา ก, กว่ามดขึ้นทางไหนเพราะเห็ุไรเพราะโง่ถ้าไม่โง่ซะอย่างจะทำยังไงเผ้าเช็ดเท้าอย่าให้มันติดกับอาคารเพราะว่าเรากันเรากันมดไว้แล้วไม้ตกตัวแต่เป็นกระดาษก็ตามที่เป็นใบไม้ก็ตาม จะเป็นไม้อะไรก็ตามมาพาดเออมาพาดทางนอกใส่กับอาคารเออพาดไม้กวาดผ่านอาคารมันก็ต้องไต่ไม้กวาดขึ้นไป้านานๆเข้าไปมันก็เข้าเป็นในกุในที่นั้นพอมันข้ามน้ำมันไปได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปนะักสถานที่ใดถ้าเราสังเกตนะ ถ้าเราใช้ปัญญามันดีทั้งนั้นถ้าไปที่ไหนมีแต่ซื้อบือ้อมีแต่ใช้แต่ความโง่ถ้าเขาบอกให้ก็โมโหให้เขาอีกต่างหากจนใครก็ไม่อยากจะบอกจะกล่าวให้เราไปอยู่ที่ไหนถึงร้อยปีก็ไม่ฉลาดเหมือนกับทับพีแช่อยู่ในหม้อกแกงถึงจะร้อยปีมันก็จะเป็นทับพีอย่อยางเก่าเผอเผอเกลือจะกระกรอนทับพีอีกมันไม่เกิดปัญญาอะไร ท่านยังเปรียบเทียบว่าลิ้นรู้จักรสของแกงทับพีแช่จนนมโอ๊กแกงถึงจะนานขนาดไหนก็ไม่รู้จักรสเพราะเหตุใดเพราะทับพีไม่มีวิญญาณลิ้นมันมีวิญญาณรับรู้รับทราบวิญญาณคืออะไรคือปัญญาเสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พกเพื่อนทุกองนะ ที่สอนทางนี้ท้งนั้นถึงจะไปเป็นฆราวาสก็เถอะให้เป็นผู้สังเกตให้ใช้ปัญญาถ้าคนมีปัญญาใช้ความรอบคอบใช้ความอดทนแล้วก็รู้จักวิธีการดำเนินเราอยู่ในสถานะไหนขณะ น, นี้ถ้ารู้จักถ้ารู้จักประมาณตนไปอยู่ณสถานที่ใดดีทั้งหมดเป็นที่ยอมรับ ของคู่ของคนของวงศาคณาาิของครูบาอาจารย์ไปอยู่นัสถานที่ใดนั่นะตาไวหูไวก้นเบาเห็นอะไรค่องแค้่วอยากอืดอัดเหนื่อยน่ายทำอะไรกระยึกขยักตั้งหลายครั้งจึงค่อยลุกได้แต่ ว, ว่าก้นหนักอันนี้เราจะเป็นอย่างนั้นเราต้องดู ในเมื่อเราเป็นผู้น้อยเราควรทำยังไงเราเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราควรทำยังไงแต่เมื่อเราเป็นหัวหน้าเราควรวางตัวอย่างไรนมันเป็นหลายระดับแต่ถ้าว่าเป็นผู้น้อยก็ททำท่าอดเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะนี่ทาอะไรก็ไม่เป็นไปแย่งทาเขาทากับผู้น้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกัน เพะนั้นเราควรจะวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะให้ช่วยกันคิดอไม่ใช่ช่วยกันคิดให้มองตนเองให้ให้มองตน เ, เองในการเป็นอยู่เราก็ให้มองกันอ การทำกิ จ, จวัดข้อวัดก็เหมือนกันให้ทำเรื่อมกันใครเป็นผู้ดูแลห้องน้ำอย่าไปมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งมันนนักพระทังวัดองวงไหนบ้างผู้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นทีมหัวหน้าควรจะวางแผนสำหรับแบ่งปันให้พวกผู้น้อยทำอะไรบ้าง คนแต่ละคนทําหน้าที่อะไรสลับกันแต่ที่ยังไงก็ตามนะผมบอกกล่าวแลว้วว่าในบริเวณวัดของเราถ้าช่วงไหนมันแดดมันแห้งพื้นมันแห้งถนนแห้งผู้ใหญ่ก็ต้องบอกเออในช่วงนี้มันแห้งวะให้ช่วยช่ยกันปัดกวาดเนะือไปองนั้นก็องค์ น, าา น, น, ง น, น, งนั้นเอาสายนั้นองนั้นองค์นั้นเอาสายนั้นไม่หนักหนา แต่ช่วงไหนที่ฝนตกมันเปียกอยู่ยาอย่าไปปัดเถอะมัปัดกวาดมันหนักกว่าจะเคลียร์ใบไม้ที่มันติดในปูนเซีเมนต์กว่าจะออกได้อย่าไปปัดกวาดช่วงนี้เอาไว้ก่อนแต่ช่วงไหนที่มันแห้งนั่นละ่ะช่วงนั้นหละ่ะให้ช่วยกันระดมกันปัดกวาดมีชาย่าปล่อยทิ้งไว้แห้งกับฝนก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นแต่ตอนฝนทามันดูแล้วมัน ไม่น่าไม่น่าอยู่ไม่น่าดูพระเต็มวัดขี้เกียจทําความสะอาดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งเรานี้ให้หมู่พเพื่อนคิดนะเรื่องทําความสะอาดแต่ผมก็มาให้หนักหนาแต่ที่ยังไงต้องบริเวณกุฏิของตัวเองต้องสะอาดปัดกวาดถ้าหาว่าขี้เกียจกระทั่งปัด กดกวา ด, ดกุฏิตัวเองแนละ้วจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่เขาออกคนเลยแต่เนีเ่ดูดูแล้วมันใช้ไม่ได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเรานี้ต้องดูนะเรื่องําทำความสะอาดเนี่ยผมถือมากเพราะว่าศีลและวินัย สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจมันเกี่ยวเนื่องกันแต่ขนาดกายที่พักผาอาศัยยังไม่รู้จักทำความสะอาดและจะสะอาดใจได้อย่างไรจะชำระใจตัวเองให้สะอาดได้อย่างไรขนาดมองบองตาเห็นอยู่ก็ยังไม่รู้จักรักษารักษาปัดกวาดทำความสะอาดอันนี้ก็คือก็ จ, จวัดข้อวัด อย่างภายนอกเหมือนกันสล า, าข้างนอกถ้าไม่จําเป็นจริงทําความสะอาดแล้วก็ต้องปิดอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปกระลำกระเหลี่ยอยู่แถบนั้นผมไม่ต้องการอยากจะให้กระลำกระเหลี่ยกุติอยู่ที่ไหนให้หาที่พักที่ภาวนาถ้าผู้ใดก็ตามนะถ้าผมไปแล้วยังเห็นตอนกลางวันถ้าไปเจอเข้าไปกันนะั้น ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ไปนะถ้าผมได้พูดอย่างนี้ละผมจะต้องดูจะต้องตรวจตราเออถ้ามันไม่มีเหตุผลอะไรยังไปกระลำกระเรียู่แถบนั่นนั่นแหละเออถ้าไปภาวนาไปไดิยโยมกรมก็ไม่ว่ากันไปนัดพบไปหาคุยกันไปหาอะไรออกนอกลู่นอกทางเลยมนไม่ใช่อยู่ในวัด ผมไม่เห็นด้วยนะอยู่ในความสงบพระทุกองค์โดยเฉพาะยังยิ่งพระเก่าอ่าไปถืออโล่ไอและอยู่แถวนั้นไม่ได้ต้องให้มายอุติของตนเองหาภาวนาถ้าเว้นเสียแต่มันมีกิตธุระอย่างวันนี้เออเอาวันพุ่งนี้เราจะมีการ ออกไปฉันข้างนอกอันนี้เราก็ต้องช่วยกันดูห้อ ง, ห, องห้องน้ำปัดกวาดทาความสะอาดทุกแห่งต้องไปใช้ได้อย่างวันพุงนี้ก็เหมือนกันนะขนาดห้องน้ำของผมผมยังใช้ไม่ได้มันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้เพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้ก็มันน่าจะคิดเหมือนกันนะมันเพราะอะไร ทำไมยังเปิดไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ใช้น้ำสูงนั้นแล้วใช้ทำไมไม่ใช้น้ำจากข้างบนลงไปมันมีปัญหาอะไรในเมื่อยังไม่มีเครื่องปั๊มเราก็ต้องใช้น้ำข้างบนก่อนไม่ใช่ว่กกุ ม, มใช้เลยแต่ข้างล่างมันใช้ไม่ได้ข้างล่างจะใช้ทำไมเสี่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ถ้าใช้ความคิดอ มันต้องใช้ความคิดเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ปัญญาไม่ใช้ชาติความโห่ความซื่อบือนะ้อเพราะฉะนั้นใช้ช่วยๆกันคิดนะ่ะผมไม่ได้มอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งถือกรรมสิทธิ์ในความคิดให้ปรึกษากันหัวเดียวมันสู้หลายหัวไม่ได้หรอกเนีปรึกษากันรับผิดชอบร่วมกันถ้าถือหัวเดียว ว่าตัวเองเก่งการนั่นแหละมันจะพังได่ง่ายๆการบริหารจัดการต้องฟังหมู่ฟังเพื่อนบอกกล่าวแนะนำต้องมีเหตุผลถ้าหมู่บอกมามีเหตุผลฟังถ้าไม่มีเหตุผลชี้แจงอย่างทางน้ำใหญ่ข้างนอกก็เหมือนกัน ถ้าาว่ามันเต็มแล้วปิดเลยก็ยังไม่ได้ผมจะไม่อยากจะให้ปิดเพราะเหตุอะไรไม่ให้ปิดเพราะว่าน้ำรุ่นใหม่ๆเนะี่ยมันอาจจะเป็นน้ำที่ยังไม่สะอาดพอถ้าเป็นฝนตกแรงๆเราก็ควรจะปล่อยน้ำที่มันไหลแรงๆกระแทกลงไปให้มันเปลี่ยนน้ำที่มันอยู่ข้างล่างให้มันไหลออกมาข้างนอกเปิือดล้าง ทำความสะอาดถ้าถึงกลางเดือนกันยาไปแล้วนะถึงเดือนกันยาแล้วไปปลายกันกันยานะก็ปิดได้เลยรักษาอะไรเ ล, เลไม่ให้น้ำเข้าได้ปิดเลยแต่ถ้าวันในช่วงนี้อยู่สิงหาเนะี่ยแล้วก็ปล่อยน้าเขาไปก่อนปล่อยน้าให้มันล้นก่อนเพื่อรักษาถ้ามันน้าไม่สะอาดมันก็จะได้น้ำฝนก็จะได้ ไหลเข้าไปอีกมันจะเป็นไล่น้ำเก่าออกแต่พอมันจะหมดแล้วปิดเลยจะไห น, นเอาผ้าพลาสติกปิดให้ดีอย่าให้หนูอย่าให้ เ, เขียดอะไรเข้าไปมดเข้าไปได้แล้วไปตกลงไปนั่นเฮยมีแต่กองกระดูกของมัน เรต้องรักษาในเมื่อเรารักษารักษาให้สะอาดเวลาเราจะทำํำเราต้องปัดกวาดทําทความสะอาดล้างให้สะอาดแต่ทุกวันในผมก็ยังพิตกกังวลเหมือนกันลิงขึ้นไปบนหลังคาอย่างสลาหัอฉันเก่าอย่างนี้หรือกุฏิของผมเนี่ยผมก็ยังคิดเหมือนกันเพราะมันลิงมันผ่านมันขึ้นไปแล้วอาจจะขี่จะเยี่ยวใส่ยังไงก็ได้ แต่ถึงยังไงจะทํำยังไงล่ะถ้าเขาว่าฝนตกแรงๆปล่อยน้ําใส่ให้มันล้างสะไปก่อนใหม่ๆจากนั้นก็พอตกหน้าฝนกระท้าฝนตกแรงๆปล่อยน้ําใส่อันนี้ก็คือการทําความสะอาดเป็นน้ําดื่มของพวกเราแต่ก่อนพวกลิงอะไรไม่มากผมก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ซาลาเนหายห่วงแล้วา ล, าล่ะซารามเล็งไม่ขึ้นแล้วแต่สมัยมีกระเบื้องตะไคร์ก่อนมันขึ้นมันขึ้นหลังคาแต่ปัจบันนี้มันไม่ขึ้นแล้วแต่ถึงยังไงก็ใยทุ่ๆกันดูแลเรื่องซาลาปัดกวาดทําทความสะอาดแต่แต่ยังคิดอีกเหมือนกันอต่อไปปีต่อไปภายภาคหน้าผมก็ไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูถ้าถังไหน มัน อ, อันไหนสีข้างนางข้างในทาออกมันหลุดออกอต่อไปปีปีต่อไปภายภาคหน้าทานจะปล่อยน้ำทิ้งไว้ให้มันแห้งพอถังแห้งแล้ว่านนจะทายางมาตอยเคลือบอีก เ, อเพื่อให้เป็นถังใหม่ขึ้นมาพอเราตกขอนเราก็ทางทายางมาตอยหลายปีไปเมื่อก่อ ทำให้กล่อนให้ผูกได้เหมือนกันอย่างวาดต่อยแต่นี้เราผมเองก็ไม่ได้ไปดูข้างในกัมอไปพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายได้สนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเสียงเหล่านี้ถ้าครั้งเดียวแล้วกันสิบยี่สิบสามสิบปีก่อนนะหลุดยังไงก็ไม่จ่างเพราะหน้าที่ทำค่าทำได้เพียงแค่นี้อย่างนั้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ผมเองผมกม ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผ ม, มาอายุถึงขนาดนี้แล้วผมจะให้ปีนขึ้นไปดูก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะทําถึงขนาดนั้นถ้าพวกท่านโง่ใชอย่างหลวงพ่ออินในดุขสิทธ์โง่ใช่ยังดุขสิทธ์ซื่อบืดใชอย่างถ้าต่อหน้าก็ครับผ ม, ผมครับผมครับผมก็ผ ม, ผมพอหันหลังใช่แล้วก็เฉยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะจะทํำยังไงได้ หลวงพ่ออินเนี่มีบาปกรรมแต่ตะขอนเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดนะรับผิดชอบเหมือนกับพ่อบ้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อบ้านตัวเองก็เหมือนกับเป็นแม่บ้านต้องรับผิดชอบเสนาชนะกุติที่พักอันไหนอันไหนที่มันไม่ดีเราดูหมดอซักผงซักผ้าอะไรอะไร พวกปอกหมงปอกมนตักน้ำเวลาแขกคนที่จะมาไม่มีน้ำประปาที่สมัยก่อน เ, ออเราต้องขนน้ำใส่ตุม่มใส่โอง่งตามกุฏิต่างๆไม่ว่ากุฏิโยมไม่ต้องว่ากุฏิพระแหล อ, อแต่โยมพระบางองค์กพูดว่าทำไมไปตักน้ำไปให้ โยมล้างขี้ล้างเยี่ยวล้างหัวส้วมตัวเองเราก็ให้เหตุผลว่าเรามาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่องค์หลวงตาในเมื่อท่านพ่อสั่งให้ทําเราคนในฐานะลูกเราก็ทําหน้าที่เพราะคนที่มาก็คือเป็นคนของพ่อเราก็ต้องทําหน้าที่แทนพ่อ ในเมื่อพ่อไปหาเขาเขาก็ต้อนรับขับสู้เขาก็ไม่ได้ว่าในเมื่อเขาคนของพ่อมาหาพ่อเราในฐานะลูกเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เพราะอันนี้คือเป็นคนของพ่อเราคิดเพียเพียงแค่นั้นเราไม่ได้คิดมากไปกว่านั้นเพราะเราเป็นอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนของพ่อจะถูกปัจจัย ปัจจัยสีทั้งหลายทั้งมวลก็มาจากพ่อเขานับถือเลื่อมใสพ่อของเราเขาจึงมาหาพ่อของเราทําสิ่งของจะตกปัจจัยมาถวายพ่อพ่อเขาได้เลี้ยงพวกเราได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้มุ่งหวังความร่ํารวยอะไรพ่อสําคัญให้ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้พ่อได้แนะนําสั่งสอนพวกเราต่อไปภายภาคหน้า เราจึางค่อยว่ากันะมีบุญวาสนาบา ร, รมีแล้วไม่อดไม่อยากหรอกข้าบุญบา ร, รมีของเราไม่มีตกอย่างว่าเกิดในครั้งพระพุทธเจ้าบินทบาทไ ม, ม่ไม่พอฉันไม่อิม่มบินทบาตไม่อิม่มตั้งแต่วันเกิดมาเราก็ได้ยินในพระไตรปิฎกเพราะเหตุใดกระเพราะนอในสงทานของตัวเองแล้วก็บาปกรรม เสริมเขาอีกต่างหากได้กระทำกรรมที่ไม่ดีไว้กับพระอรหันต์บาป ก, กรรมนั้นตามสนองอันนี้เราจะว่ายังไงแล้วจะไปอิจฉาคนอื่นก็ไม่ได้ตัวเองทำกรรมไว้แล้วกรรมนั้นจะต้องตามสนองตัวเองถ้าเราทำกรรมดีไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีมาเองไปนะัดสถานที่ใดมีมีแต่คน ต้อนรับขับสู้แสดงความเคารพแสดงความยินดีไปที่ไหนก็ด้วยอันในสงศิณอันในสงฐานอันในสงแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของเราในอนดีตมันเป็นการเครือกูลหนุนกันอันนี้ให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในหลักของพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาดูใน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วนั่นแหละคนเราไม่ใช่ว่า ป, ปรับมาจะดีทีเดียวเลิศประเสริฐทีเดีย ว, ยวถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจ ะ, กะยกย่องเป็นผู้มีปัญญาเลิศทุกคนลูกศิษย์เราตถาคตเป็นผู้มีฤทธทุกองลูกศิษย์เราตถาคตพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้น เพราะพระองค์ได้ยกย่องแต่ละคนและคนมีดีไปคนละอย่างกับเพราะเหตุไรกับเพราะการทํำกรรมของแต่ละองค์นั้นทํากรรมปรารถนามาอย่างนักแต่ถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุทธเจา้าเราการอิจฉ้าใครก็ตามการจะดูถูกเหยียดหยามใครก็ตามเราจะเพ่งมองไปเลกรรมคือการกระทําของแต่ละคนมากกว่า ถึงจะตำานิก็ตหนิอยูอ่แต่ก็ไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดเพราะอะไรเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําแต่ละผลไม่เหมือนกันทุกคนเกิดมาใช้กรรมของใครของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แต่อยากจะให้พวกเราเมื่อมาเจอมาพบพระธรรมคำสอนเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แนะนำสั่งสอนแล้วก็พยายามทำดีให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีคิดดีทำดีพูดดีเอาไว้ให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะไหนถ้าเราอยู่ในสถานะเป็นผู้ใหญ่เราจะทำเหมือนเด็กก็ไม่ได้เหมือนทำเป็นพระผู้น้อยก็ไม่ได้ในอย่างผมทุกวันเนี่ยผมจะไปทำเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ พ่อแม่อยู่ในสถ า, า, า, านะนี้ในเมื่อก่อนเราจะมาทําอย่างสถ า, านะอย่างนี้ก็ไม่ได้เราจะต้องทําอีกส า, านะหนึ่งอย่างที่ผมพูดให้ฟังอาตากน้ําใส่ห้อ ง, งห้องน้ําปัดกวาดทาความสะอาดดูที่พักพาอาศัยกู้คนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อแม่คุณอาจารนยะ์ไดสั่งเท่านั้นเองเพื่อเพอท่านก็ไปดูพอดูเสร็จแล้วครัท่านก็มอบ มอบความไว้บางใจว่าเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนแต่เขาที่มาพักเขาก็มาพูดให้ท่านฟังอีกออสะดวกสบายไม่มีอะไรแอติพักพาใสามีพร้อมมีไม้ขีดมีเทียนขายมีน้ามีอะไรแต่ท่านได้ยินท่านก็เออสแสดงว่าท่านกออ็ลูกน้องของเราเนี่ยใช้ได้รับผิดชอบออจากนั้นทางกันมีอะไรมา ก, ก็บอกเออ ไปดูดูเขาเนอะ เ, เราคนในฐานะลกูกเราก็ต้องไปดูพอเราไปเพื่อพาอาศัยท่านเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่โชคฟ้าดินสลายเมื่อไรในขณะที่อยู่ศึกษาขท่านเราก็ต้องพยายามทำดีที่สุดอย่าให้ท่านหนักใจกับเราเในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นท่านก็บอกเราบางทีเราทำไม่ถูกท่านกระดูเราก็ยอมรับ ปรับปรุงแก้ไขนี่แหละสิ่งเหล่านีนะ้ที่เราอยู่กับอือดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะตลวงปูล่าก็ไม่มีแขกสมัยนั้นมีแต่หลวงตาเท่านั้นนะคําว่าแขกแขกคำนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมมติว่าหลวงตารับแขกแขกที่ไหนวะแขกอินเดียและแขกที่ไหนไหนะอย่างเสือ้อถึงขนาดนั้นละ่ะผลที่สุด ถึงเราจะออกมาอยู่ที่นี่ท่านก็ยังให้ความเมตตาสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ผลที่สุดก็ยังท่านยังให้พินัยกรรมอีกเขียนพินัยกรรมมอบความไว้วางใจอีกเพราะอะไรก็เพราะเมื่อเราอยู่กับท่านท่านเห็นความใส่ใจของเราเห็นการปฏิบัติของเรากับคู่คน กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่ผมในการรับการศึกษาที่ไหนท่านก็รู้เนี่ยเขียนหนังสือจะไม่ถูกเอาเขียนไปถัดหาท่านบางทีท่านก็รู้เขียนอย่างไรเพราะบางทีเขียนถึงท่านมันความคิดมันเร็วกว่ามือมือ ม, มันช้ากว่าความคิดบางทีเขียนข้ามกระโดด บางทีพออากลับมาอ่านอีกโอ้ตายเราเขียนได้ยังไงมันไม่เขียนอย่างนี้พอท่านทวงติีงมานี่ยตายตาตายมีแต่เยอะแยะอย่างนี้แต่ตา ม, มจริงเราก็พยายามเขียนให้ถูกนะแต่ความคิดมันเร็วกว่ามันเร็วกว่ามือมือมันมันไม่ไปตามความคิดพออา่านออกมาแล้วมันข้ามกระโดดไปรู้ไปที่ไหนก็ไม่ลง น, นี่แหละอันนี้ก็คือถึงยังไงก็ตามเจตนาดี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมอบหมายให้ทำเราพยายามทำดีที่สุดถ้าท่านไม่อย่างนั้นท่านคงไม่ให้และท่านคงไม่ให้พินายกรรมพระลูกศิษย์ของท่านมีมากขนาดไหนปริญญาตรีปริญญาโทลูกน้องบริวารขององค์หลวงตาผลที่สุท่านให้มาเมื่อพระฝรังกับท่านปัญญาวุฒโทที่ท่านไว้ใจ อย่างนั้นก็ท่านอาจารย์ฟักแล้วก็ท่านวันชัยแก้ว เ, เป็นมีบา ร, รมีทางทหารท่านเป็น เ, ออเป็นทหารมาแต่ผมเนี่ยปอสีมาที่ท่านมอบให้แต่พอทำงานจริงๆหลวงปู่ฟักท่านก็จากไปก่อนแล้ว ท่านปัญญาก็จากไปก่อนอีกอย่างเหลือท่านอาจารย์บรรชัยบรรชัยกับลูก น, น้องท่านก็ไม่สบายป่วยตั้งแต่งานตั้งแต่ดวงตาป่วยท่านก็เข้ามาครั้งเลยสองครั้งตอนที่มรณะภาพเราก็เรียกเข้ามาพราในนามของที่หลวงตามอบพินัยกรรมท่านก็ไม่ได้เข้ามาแล้วใครองค์อื่นเข้ามาแทนแต่ตามไม่จริง การมาแทนประชุมพินัยกรรมไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาประชุมแทนได้แต่เราก็ไม่ว่ามาประชุมกันหาเรื่องกันพี่น้องเราไม่ได้ชัดเจิงถึงขนาดนั้นมีอะไรกับปรึกษาปรารบกันในพี่น้องงานก็สํำเร็จร่วงไปด้วยดีไม่มีปัญหาอันนี้คือที่พูดให้ฟังยืดยาวตื่นข้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของของเราในเมื่อท่านสั่งเสียอะไรท่านก็บัยมองดูแล้วผู้ที่จะทำงานได้กันมอบความไว้วางใจในเมื่อท่านมอบความไว้วางใจเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในขณะที่เราอยู่กับท่านถ้าว่าถ้าเราไม่ มีความสามารถถึงขนาดเราทำไม่ได้เราจะไปอยู่ขวางอย่าขวางไว้ทาไมเราจะอยู่ขวางไวททำไมสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดทั้งหมดถ้าถูกแล้วคือเราอยู่ณสถานะไหนเราอยู่ณที่ใดเราต้องทำดีที่สุดคิดดีที่สุดทำดีที่สุดพูดดีที่สุดในขณะที่เราอยู่ในจุดนนั้น อันนี้ก็คือพูดให้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือหมวดของมรยาทหมวดของศีลหมวดของวินัยหมวดของกฎระเบียบการอยู่กับหมู่กับคณะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับประชาชนญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแล้วก็ร่าพรึ่มไปทั้งหมดร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปถ้าเราทาถูกนะ ถ้าเราทําผิดนะดก็กระดักกระดุกกระเดกลผลที่สูนนั่นนะตัวเองเลยจะเดือดร้อนกับตนเองเพราะตัวเองทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นจริงเราเนี้ยก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุท่านนะอันนี้การเป็นอยู่แต่ชว น, น, นด้านจิตใจในย่านจิตใจก็จะให้ขาดตัวบกพ้องอย่างที่ผมพูดนะเมื่อภารกิจธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหาที่พักภาวนา นั่งภาวนาเปิดเทพองหลวงตาฟังแล้วก็นั่งขัดสมาพิธิฟังหลวงตาท่านพูดอะไรท่านเทศอะไรนั่งฟังจากนั้นคนเนี่ยการนั่งฟังหลวงตาท่านก็บอกว่าไม่แพ้การปฏิบัติส่วนอื่นการนั่งฟังเทศอุบาจารย์ที่ท่านเทศที่ท่านอบรมเป็นกิจจะลักษณะเป็น เรื่องราวที่ท่านได้ผ่านมาแล้วที่ท่านรู้มาแล้วเมื่อท่านเทศให้ฟังเราก็ตั้งจังใจฟังฟังด้วยความใส่ใจฟังด้วยความสนใจกันกรองไตรตรองด้วยเหตุผลที่ท่านแสดงออกมาจากนั้นเราก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราเข้าใจในธรรมคำสอนนี่แหละมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นละ่ะอันนี้เกิดเพื่อการศึกษา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนขึ้นมาแล้วเราจะฉลาดได้ยังไงมาอยู่ที่ไหนก็โง่อยู่ตลอดเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อ, อย่างผมเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วพี่ะอ่านหนังสือพออ่านเสร็จแล้วต้องพยายามออกเสียงออกเสียงตามตัวหนังสือดู ว่าเสียงนี้ออกอย่างไรภาษาอย่างนี้สำเนียงอย่างนี้ออกอย่างไรก็ต้องฝึกในการออกเสียงในการพูดเพราะอีกสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เข้ามาสู่ชุมชนสังคมหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาอ่านหนังสือให้ฟังได้ไหมอ่านผิดอ่านถูกไปเลยนั่นลหละแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจในการ ศึกษาในการเรียนเราต้องอ่านให้เข้าใจให้ออกสำเนียงเสียงพอสมควรสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนั่น่ะอันนี้ก็คือความสามารถส่วนตัวความรู้รอบตัว ความเอาตัวรอดเอาตัวรอดอสำหรับตัวของเร า, เาไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกอยู่ลำพังคนเดียวเมื่อไหรต่อไปภายภาคหน้าถ้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องมีลูกน้องบริวารมีญาติมีโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฝึกฝนเอาไว้พอสมควร การท่องสาธสาธยายเหมือนกันสวดมนต์ไหนสวดมนต์ไหนไม่ใช่ว่ากินตัวของเก่าสวดมนต์ได้ก็ต้องได้ซื้อบื้ออยู่อย่างนั้นพยายามสวดเพราะเรายังเป็นพระน้อยพระนมอยู่สวดตัวไหนอย่างหลวงพ่อไม่พาสวดอย่างนี้สึ่งไหนที่เราจะสวดได้ที่ท่านมาสวดให้เราฟังเราก็พยายามเรียนสวดสายาย ต้องไปภายภาคหน้าเนะี่ยเราก็จะได้ใช้ในการสวดพระปริตตะหรือว่าสวดที่ท่านหมหาสมัยบั่งธรรมจักบั่งเรื่องอะไรสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรม มันมีเยอะแยะที่ท่านมาสวดให้เราปังเราสวดได้ไหมเราสวดไม่ได้แสดงว่าเรายัางอ่อนยางน้อยก่อพยายามสวดไปบ้างในช่วงไหนบางว่างในการเรียนจุดนี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัติเหมือนกันถ้าคนไม่จิตใจไม่เป็นสมาธิมันเรียนไม่จำหรอกต้องพยายามศึกษาเรียนก็ส่วนหนึ่งอีกเหมือนกัน ให้การเรียนรู้ในการเป็นนักพรตนักบวชของเราอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกทกท่านช่วยกันเรียนเพื่อการศึกษาสูตรต่างๆแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยอันนี้คือหลักใหญ่อยู่แล้วตัวนี้พูดย้ำแล้วย้ำอีกถึงยังไปยังไงก็ตามนะเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจถ้าว่าหัวในหัวใจล้มเหลวเสอย่างหนะ่ะ สินส่วนอื่นตาหูจมูกลิ้นกายจะดีขนาดไหนก็เถอะถ้าใจของเราหัวใจของเราล้มเหลวแล้วตายลูกเดียวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจของเราไม่หนักแน่นจใจของเราไม่มีสมาธิถึงจะ ก, กิ จ, จวัตรข้อวัดดีขนาดไหนก็ที่มันตายไปในพระตายออกจากเพศสมณะนักพรตนักบวชเนี่ยค่นี่ละ่ะ มันเพ่งมองแต่ข้างนอกมันไม่ได้เพ่งมองก็มาหาใจแต่ถึงยังไงทำเหล่านั้นถึงจะทำเหล่านั้นก็เถอะทำเหล่านั้นก็ทำแต่กับใจของเราเนี่ยต้องยึดให้เป็นหลักไว้ในใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายไพือยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะข้าต้องตายนะ ข้าไม่อยู่โชคฟ้ววาดินสลายนะไม่รู้จะตายไหมไหนเวลาไหนไม่ไ ม, ไม่รู้นะเพราะนั้นจะตั้งอยู่ในความประมหม่ะใจนะอันนี้ก็คือการเตือนตัวเองอยู่ตลอดถ้าคนมีระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอความหลงลืมความจสะเพาะมักง่ายความลืมตัวความอดดีอวดเด่นอวดเก่งเบ่งเซมูเ่เพื่อนเนะี่ยมันจะไม่มีนะเออเพราะ ตัวเองอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้ว่าหัวใจจะล้มเหลวตายเวลาไหนเราไม่รู้เพราะนั้นความว่าไม่รู้คำนี้แหละมันก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันจะถูกต้องเป็นธรรมเรามองหมูมองเพื่อนมองออกทั้งหมดขนาดมองหมาเรายังมองมองลิงก็ยังมองออกงูเห่างูจงอางมองออกทั้งนั้นมองมดก็มองออกมันจะมาย่มันจะกัดยังไง มันจะเข้ามาหาเราอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรตัวพึ่งตัวต่อตัวแตนเรามองออกทั้งนั้นอย่าไปใกล้ลังมันอย่าไปวิจาระากับมันต้องระมัดระวังนี่แหละอันนี้ก็คือเราใช้ปัญญากับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลมันมีเยอะแยะไปถ้าเราไม่ได้ใช้คำนี้เลย ้าเดินทางไปไปถึงจอมปวกเอาจอบขุดจอมปวกถ้าไปถึงต้นไม้จะหลีกมันก็หลีกไม่ได้เสียเปรียบต้องปีนขึ้นต้นไม้ลงไป้างนู้นอกปีนขึ้นต้นไม้ไปลงข้างทางนู้นอีกมันจะไปถึงไหนล่ะเพราะเหตุอะไรเพราะไม่รู้จักหลบจักหลีกไม่รู้จักใช้สติใช้ปัญญาน่แสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนทุกอง เออไม่ใช่ว่าการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหรมันอยู่เมื่อไหรมันจะอยู่นานเท่าไหร่ขนาดยู่ในพันษาไปกี่เดือนก็ยังบาดหมาง ก, กันยังเข้ากันไม่ได้ยังมีการมองกันไม่เต็มตายถ้าไม่ว่าโง่ก็จะว่าอะไรอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายคิดนะแต่ทางนี้ทางนั้นผมไม่ได้ว่า ผมไม่ได้ดูถูกเตียดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าผู้ใดก็ตามถ้าเป็นอย่างผมว่าเนี่ยถ้าไม่ว่าโง่ไม่ว่าไม่รู้จะว่าอะไรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายแต่ทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่ได้เห็นหรอกผมไม่รู้เรื่องราวต่างๆแต่ถึงอย่างไงผมพูดเอาไว้เพราะผมเคยเห็นผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาตั้งยี่สิบสามสิบปีอยู่กับหมูกับเพื่อน อยู่กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเกิเคยอยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงพอจะเรียนรู้ได้ว่าเรื่องเราเป็นยังไงทําไมหมู่พวกเพื่อนบางองค์ทําไมแต่สําหรับผมผมไม่เคยนึกจะทะเลาะกับใครไปสืบสอบดูก็ได้มีแต่คนทั้งหลายนะทะเลาะกับผมแต่ผมไม่เคยที่จะไปทะเลาะกับใครแต่ก็ระวังเหมือนกันนึกเมื่อเขาทะเลาะเราแล้วเราก็ต้องระวังแต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโทษกรธเกรงถ้าเขามาพูดเราก็พูดได้ ถ้าเจอหน้าเราก็พูดได้อแต่ว่ารับหลังเนี่ยเขาจะมีหมัดมีมวยอะไรเราก็ต้องระวังเขาอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาแสดงความไม่พอใจเราจะไปวิสาสสะไม่ได้เอเหมือนกับหมาตัวที่มันดุอถ้าเราจะไปเอาตีนแย่ไปเล่ดมันก็กัดเราได้ เราก็ต้องระวังระวังเผอเผ อ, เอยังถือไมต้ตะพดเลยถื อ, มอไม้ค้อนไว้อีกถ้ามึงมากูตีมึงได้นะมึงอย่ามากัดเล่นๆไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็เอาตีนแย่ไปเรื่อยพอมันกัดเข้ามานี่ถ้าไม่ว่างโง่ก็จะว่าอะไรอีกเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเราอยู่ในโลกแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนชื่อสัตว์สุจริตไม่มีอะไรเอเราก็ทาําท่อไปหาเรื่องหาอะไแย่เขาเล่นอไปทําพูดกระแนงะเขาอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเราต้องรู้จักนิสัยอีกเหมือนกันถ้าเขาเป็นมิตรหรือเขาเป็นศัตรูหรือเขาเป็นอะไรเราก็ต้องระมัดระวัง ถ้าเราเขาเป็นมิตรเนเราจะไปสร้างศัตรูก็ไม่ได้เราก็ต้องทําเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถึงจะเป็นน้องหนู่อายุพรรษาน้อยกว่าเถอะเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ถือเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเขาแต่ละคนใจใหญ่แต่ชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นพระมหาเถระมาก่อนก่อนเราก็ได้ แต่มาเกิดมาพบนิชานนี้เอามาบวชเป็นพระผู้น้อยกว่าเราเราก็ต้องให้เเต่เราก็ต้องคิดเหมือนกันถ้าเขาคิดดีทุกทิศถูกต้องเป็นธรรมเราก็ต้องยอมรับแ่บเจ็เด เ, เสียองค์นั้นพยองพองตัวลืมตนลืมตัวอันนั้นเราก็ต้องอต้องบอกต้องแนะนําต้องบอกกล่าวเตืนเอนฮะเตือนอย่าลืมตัวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย สรุปลักก็คือให้ใช้ปัญญานะการอยู่ด้วยกันอย่าไปใช้แบบความคิดเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่หมู่แต่เพื่อนแต่พักแต่พวกตัวเองไม่ได้เราต้องแบบแบบเขาพูดแบบสัพท์ทุกวันนะีว่าท ำ, ทำแบบปุรณากาเนะว่าให้กว้างๆวางให้รู้รอบข อ, อบชิดหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ ศรัทธาญาติโยมอมองมองอแล้วก็มองตอนเองนั่นแหละแต่ว่าตนเองนะอย่าให้ขาดถูกบกพ้่องลบภาวนายังไงจึงจะพ้นทุกนวัตตะสงสารโดยเร็ว เ, เห็นอนนจังทุกขังอนัตตาดูาเราดูชเช่บางทีเรานั่งภาวนาเรานอนด้ยวยก็ตา่างเราเระลึกถึงความตาย เราเนี่จะตายแน่นะไม่รู้จะตายวันไหนนะอีกไม่รู้กี่วันข้างหน้าเผาแน่นะเราเนี่นะเดี๋ยวในี้ใจของเราเป็นยังไงเป็นที่อุ่นใจหรือยังพ้นทุกข์หรือยังหมดกิเลสหรือยังเป็นที่ภาคภูมิใจกับตนเองหรือยังจุดนี้เราต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆถ้าไม่ถามจุดนี้มันจะลืมตัวได้ง่ายในเมื่อเราถามอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละเราก็จะ พยายามปรับปรุงกายใจของเราแหละท่นที่งไหนที่มันขาดเหลือขาดตกบกพ้่องอยู่เราก็พยายามทำเตือนนั้นให้เต็มตื่นขึ้นแต่จุดไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็พยายามส่งเสริมให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงผมสอนวิธีการแนวความคิดการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะวันนี้นะ วันนี้ผมสอนถ้าจะว่าสอนมวยในการวางตัวสำหรับหมู่พวกเพื่อนต่อไปในอนาคตนะพวกเราอยู่อย่างที่ผมพูดนะรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักการวางตัวรู้จักการอยู่กับผู้ใหญ่ผู้น้อยทุกคนถ้าเราอ่านออกอย่างนั้นแล้ว เราจะไม่มีพิษมีภัยจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าเขาจะเป็นพิษมาเรากบบ็ต้องมองรูได้ไออันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาเข้าใจผิดทำไมจังเข้าใจผิดอย่างนี้วะเรื่องอะไรบอกมาสิเราผิดที่ตรงไหนเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเราพร้อมที่จะแก้ไขถ้าที่ท่านที่ท่านทั้งหลายไม่พอใจบอกมาสิ เธอย่างไรยังไ ง, ง, ไงพูดไปยังไงเขาก็แก้ไขไม่ได้อันนี้เราก็รู้เลยว่าเออนี่คือความอิดชา้าในเมื่ออิดชา้ามันก็แก้ไม่ได้เพราะเห็นเขาเหนือกว่าตาลีตะเลือกทนอยู่ไม่ได้เพราะเขามีเรื่องราวที่เหนือกว่าตัวเองไปไม่ถึงนั่นอิจฉาเขาอันนี้สิ่งเหี่ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ชุดวิสัยถ้าว่าเขาบอกท่านมันผิดตรงนี้นะ ท่านพูดอย่างนั้นนะมันไม่เคารพหมู่พเพื่อนครูบาอาจารย์นะท่านพูดอย่างนั้นจริงไห ม, มถ้าเราได้พูดจริงเราอู้ครับพอก่าบคารวะผมได้พูดอย่างนั้นจริงผมด้วยความโมโหโด้วยความรู้รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการที่ผมพูดไปเนี่ยผมนึกไม่ถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยอมรับได้ เพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้โฉวฟ้าดินสลายเรามีแต่พยายามที่จะเกลียดแต่กายยังไงจึงจะพ้นทุกข์ทําจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในใจของเราคือจุดนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ในโลกโฉวฟ้าดินสลายไม่ใช่เราจะเป็นใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่ไปถึงตายใช่ไหมใหญ่ไปถึงไหนใหญ่เรื่องอะไร อยาจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือไม่ใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีไหมใครพระพุทธเจ้าท่านเป็นใหญ่แต่ท่านก็เป็นใหญ่ในธรรมของท่านที่ท่านตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนั้นท่านพ้นทุกในวัฏฏสงสารท่านไม่มาเวียนไหวาตายเกิดอันนั้นใหญ่เราอยากจะใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมใช่อยากจะใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกถ้าใหญ่แบบลกโลกทั่วไปเย จะชนะสิสิบทิศกว่าเถอะไม่ว่าจะสิบทิศร้อยทิศกว่าเถอะ เ, เมื่อชนะแล้วก็ต้องกลับมาแพ้อีกเพราะเหตุไรเพราะกิเลสยังมีอยู่ถ้าชนะกิเลสภายในใจของตัวเองเท่านั้นแหะจบเพราะนั้นจะทํำยังไงเราจึงจะชนะกิเลสในใจของเราถต่ว่าเรายังไม่ชนะใจของเรากว่านั้นแ่ะแน่นอนเลยจะชนะตงนรงไหนจะชนะไปเถอะอีกสักวันหนึ่ง ตายไปแล้วก็มาเกิดมาเกิดแล้วก็ตายอีกตายแล้วมาเกิดอีกชนะใครละ่ะถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่มีทางชนะอย่างอื่นดัง้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพวกพานิยน้องงุ่งทั้งหลายทุกองค์ทุกหลานทุกองให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอ์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสาร ตั้งจิตให้แน่วแน่เลยถ้าเรามองดูเรามีอะไรในโลกเนี่ยเราหวังอะไรในโลกเนี่ยถ้าไม่มีส่วนหวังอะไรนั่นนะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดไปไม่มีระหว่างมอบกายถวายชีวิตชีวิตนี้ข้าพเจ้าเพิ่มมอบไว้ในพระพุทธศาสนามอบไว้กับศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น คำว่ากลับไปทางโลกอีกไม่มีอีกแล้วในใจของข้าตายยังไงก็ตายข้าไม่ได้เบียดเบียนใครข้าไม่ได้รังแกใครตายเฉพาะข้าคนเดียวข้าจะตายด้วยคุณงามความดีตายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตายบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะตายยังไงข้าไปเจ้ากจ็จะไม่ทำความชั่วจะทำแต่ความดีเท่านั้น ข้าพเจ้าขอมอบกายแตไว้ชีวิตจนไม่มีระหว่างเป็นอาจินตลอดไปะในใจของเรามันต้องคิดอย่างนั้นมุ่งมั่นอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นแต่ถ้อย่าไปทําทะเลาะหบะแว้งไปทิดเรื่องความชั่วอย่างอื่นนะมันไม่มีแหละทีนีอมันไม่มีแหละเพราะเหตุอะไรมันไม่ลงมาจมมุม่หวังไปเพื่ออะไรต้องการอะไรออยากจะใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไปได้อะไร ใหญ่แล้วมันได้อะไรเอได้ลาบมันแล้วมันได้อะไรไม่พอกินอยู่หรอทุกวันนะี้ยังไม่พออยู่หรอกินขนาดนี้ไม่พอหรอผ้าห่มของใช้ขนาดนี้ยังไม่พอหะอจะเอาขนาดไี้อีกรล่ะยังไม่พอหรอต้องถามตัวเองสิงเพอนั้นมันถ้ารู้จักพอรู้สึกสิลรู้จักทำรู้จักการเป็นอยู่ตัวเองนะั่นแหละ มีความสุขมันปล่อยมันวางถึงจะเลี้ยงดีขนาดนี้ก็เลี้ยงเอะเลี้ยงร่างกายไม่มีมันจะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่มันจะตายนะั่นนะเข่าแกชา่ชราตายแล้วจะไปทางไหนอีกตายถ้าตายดย้วยยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันมีตะกตกต่ำใหมเ่เวียนว่ายตายเกิดถ้าตายหมดกิเลสนั่นนะ เ, เข้าสู่ อนุปาทิเสสนิพานจบวันั้นถึงจะพูดยังไงก็ตามผมไม่ได้มุ่งมั่นมุ่งหวังหรือว่าแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกพยายามแนะนำให้ผลทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนัน่นะถึงพูดยังไงก็ตามผมจะแนะนำอย่างนั้น อย่ามาเกิดหรเกิดอิรทุกมันไม่มีหาความสุขสวรรค์นี่ผานได้มันหาไม่ได้กเกิดมานี่ยสมนุปกินข้าวนอนหลับพูดคุยกันได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขแต่คิดไปคิดไปเดี๋ยสิมองเดี๋มอ ง, ร อ, มองรอบๆด้านสิมันหาความสุขไม่ได้หรอกมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเพราะนั่นเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ในพบพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าในพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องอัดเรื่องธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาคอใพวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติมรรคผลนิพพานรอคอยเราอยู่มรรคผลนิพพานไม่มีการไม่มีเวลาอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีถึงจุดหมายปลายทางของพ้นทุกในวัฏสงสารได้ทุกเวล า, นะาต่อนนี่อไปนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่งจะค่อยเลิกกันนะ